ุทสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะสันสนีสัท น, นานะคะมากันอีกครั้งหนึ่งต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ก่อนสุดท้ายของปี2558ในการจัดรายการของดิฉันที่ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว f m 106ซึ่งจะมีพระมหาภัยบุ์อภิปุนโนอีกรูปหนึ่งนะคะที่ท่านได้เป็นผู้ให้ธรรมะเป็นหลักกับท่านทั้งหลายอยู่เวลานี่ผ่านไปเร็วนะคะ ตอนเด็กๆ ก, ก็อยากให้ผ่านไปเร็วๆอยากโตเร็วๆได้ทําอะไรในสิ่งที่ผู้ใหญ่ทําแต่พอมาถึงวัยขนาดนี้ดิฉันก็อยากจะชะลอสักนิดนึงนะคะจะได้ไปช้าๆเพรารู้สึกว่าบางอย่างมันก็ยังหน้ารื่นรมอยู่แล้วก็บางอย่างเราก็กลัวว่าเราจะทําไม่ทันเช่นในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเนี่ยตัวเองนะคะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะนาทีสุดท้ายเราจะสามารถฝึกสติจนกระทั่งหากเรารู้ว่าเรากําลังจะเสียชีวิตเนี่ยเราจะมีสติ กับนาทีสุดท้ายนั้นหรือไม่อันนี้ก็เป็นความคิดของคนที่อยากจะมีสติในช่วงลมหายใจสุดท้ายมีสติในช่วงลมหายใจสุดท้ายสําคัญอย่างไรบางคนอาจจะยังสงสัยเดี๋ยวจะถือโอกาสไปกราบนสัส ก, การถามท่านเพรบูลในวันนี้เลยแต่ว่าตอนนี้เราก็ให้สิ่งที่ดีๆต่อกันท่านไม่สะดวกไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนหายโศที่ท่านเพรบูลเป็นพ่วงโดยการหลักสูตรรีเรนต์อยู่ท่านก็ มาสอนพวกเราในตอนต้นของรายการนี้ทุกวันเลยไปยราบนมักการท่านกันเลยนะคะนมสักการกับท่านค่ะเชี่ยมพานเรามาฟังธรรมแล้วก่อนเริ่มการฟังธรรมก็ให้ปฏิบัติธรรมกันสักนิดหนึ่งโดยการปฏิบัตินั้นปฏิบัติที่จิตของเราจิตของเราบางทีมันแล่นไปเหมือนลิง ท, ที่เที่ยวไปจับกิ่งไม้ปล่อยกิ่งนั้นจับกิ่งอื่นปล่อยกิ่งที่จับเดิมเหนี่ยวกิ่งอื่นเช่นนี้เร่ไปเร่ไปเป็นลักษณะของจิตที่ ไปเกาะเกี่ยวในอารมณ์นั้นอารมณ์นี้เป็นเหมือนอย่างกับลิงจริงของบางคนเนี่ยเป็นลิงจริงๆไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโ น, น้นเยนวีหน้าที่หนึ่งเนี่ยบางทีคิด3ามสี่เรื่องเอาเราจับลิงตัวนี้ให้ได้ซะก่อนพิธีจะจับมันนั้นก็คือต้องผูกมนาไว้กับ เ, าเสาเขื่อนเสาหลักเสาในที่นี้ก็คือลมหายใจของเราหนึ่งเสาในาที่นี้ก็คือสติของเราหนึ่งเราจะทําสติให้อ้างขึ้นเกิดขึ้นได้ก็ให้ใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องมือ จิตของเราที่เหมือนกับลิงถ้ามันมาอยู่กับเสามันก็ไปไหนไม่ได้มันก็จะต้องอยู่แถวนั้นจิตของเราที่มาอยู่กับลมหายใจมันก็จะไปมีความคิดนึกนั่นนี่แต่มันก็จะยังอยู่ในบริเวณที่เราพอจะควบคุมได้ด้วยกําลังของสติเรารับรู้ถึงสัมบัติของลมหายใจได้ที่ไหนเอาจิตของเราตั้งไว้ในที่ตรงนั้นจิตที่ตั้งไว้อยู่ตรงนั้นที่บริเวณที่เรารับรู้ถึง สัมบัติของลมหายใจนี่จะทําให้สติเกิดขึ้นทันทีเหมือนอย่างกับนายทวานหรือว่ายามหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เขาจะเฝ้าอยู่บริเวณประตูยามอยู่ตรงไหนความปลอดภัยก็เกิดขึ้นตรงนั้นถ้ายามไม่หลับในหรือหนีไปเข้าห้องน้ําแต่ความปลอดภัยเกิดขึ้นแน่นอนจิตของเราอยู่กับลมถ้ามันไม่ลืมลมมันไม่เผลอเผลอไปทางอื่นสติเกิดขึ้นแน่นอน สติที่เกิดขึ้นนั้นจะรักษาความปลอดภัยให้กับจิตของเราโดยยังไงเดีเวลาที่สติเกิดขึ้นนั้นจิตที่มีอินทรีย์มีผัสสะมีความคิดนึกนั่นต่างต่าเหล่านี้มันจะพุ่งเข้าหาจิตตลอดพระพุทธเจ้าตรัสไว้ตรงหนึ่งบอกว่าอินทรีย์เนี่ยเป็นที่แล่นไปสู่จิตอินทรีย์เป็นที่เล่นไปสู่จิ ต, จ, ตจิตนั้นจะมีทางออกก็ไปตามช่องทางอินทรีย์นี่หมายถึงทางตาหูจมูกลิ้นและกาย และใจด้วยใน่ช่องทางต่างๆเหล่านี้ให้จิตมันพุ่งออกไปได้ถ้าบิดว่าจิตไม่มีสติรักษาอินทรีย์ที่มากระทบมันก็จะลากจิตไปให้ไปกลื่อนกล้วตามช่องทางนั้นเสียงก็จะมาลากจิตให้ไปหาเสียงที่น่ายินดีผ่านช่องคือหูเสียงที่ไม่น่ายินดีก็จะมาผลักดันจิตให้ไปทางอื่นผ่านช่องทางหูกลิ่นก็เหมือนกันลิ้น ก็เหมือนกันกันกบรถความคิดนึกก็มาทางใจคือมโนจะดึงไปให้จิตลากขึ้นลากลงตามประจักษ์ที่มากระทบกอย่างนั้นทีนี้จิตที่เป็นอย่างนี้ก็จะมีความทุกข์มากขึ้นขึ้ น, นลงลงขึ้นสูงสุดก็ไปถึงพรมลงมาตามสุดก็ไปชนถึ ง, ถงนโนกกําเนิดเดราาัจฉานปรตวิสัยทีนี้จะไม่ให้มันไปทางนั้นจะควบคุมมันได้ต้องมีที่ตั้งที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าจิตเนี่ย ต้องมีสติเป็นที่เล่นไปสู่อินทรีย์ทั้งหลายเป็นที่เล่นไปสู่จิตจิตมีสติเป็นที่เล่นไปสู่จิตที่มีสติเป็นที่เล่นไปสู่มันก็จะไม่ไปทางผัสสะไงมันก็จะไม่ไปทางอินทรีย์แต่มันจะมาทางสติตรงนี้มาตั้งเอาไว้รักษาจิตเอาไว้ก็จะไม่ถูกพัดไปตามกระแสกระแสของโลกกระแสของตัณหาบางีมันทาให้เราสุขบ้างทุกบ้างเราไม่ไปตามกระแสนั้น แต่ให้จิตนั้นมาทางสติเพราะอะไรเพราะว่าสติเนี่ยจะพาจิตไปสู่วิมุตติพระพุทธเจ้ า, าบอกว่าสติเนี่ยมีวิมุตติเป็นที่แล่นไปสู่วิมุตติแปลว่าพ้นการที่เรามีสติตั้งเอาไว้เราจะพ้นจากการที่เราจะไปเกลือกลัวขึ้นลงยึดถือเพลินไปตามอินทรีย์ตามภาษาที่มากระทบความพ้นตรงนี้เรียกว่าวิมุตติถ้าเราฝึกทำํำบ่อยๆให้มีความพ้นจากอารมณ์นั้น ให้มีความพ้นจากความคิดนี้ให้มีพ้นจากเสียงที่มากระทบฝึกทําความพ้นคือวิมุต tn ี้อยู่บ่อยๆวิมุต t นี่แหละพระบรมเจ้าบอกว่าจะเป็นที่แล่นไปสู่นิพพานวิมุต tn มีนิพพานเป็นที่ลั่นไปสู่นิพพานนี่คือความเย็นนิพพานแปลว่าเย็นนิพพานแปลว่าดับทําให้ใจของเราต้อมีความเย็นเย็นจากราคาโทสะโมห oh ะก็ด้วยการที่เราตั้งสติขึ้นเอาไว้เห็นบุฟังทั้งหลายเนี่ยทำอยู่เป็นประจำทั้งก่อนฟังทำระหว่างฟังธทำหลังฟังธทำ การงานใดๆก็ฝึกตั้งสติขึ้นโดยใช้ลมมาจากลมเป็นเครื่องมืออันนี้จะมีประโยชน์มากเลยสติจะเป็นที่เล่นไปสู่วิมูธวิมุติจะเป็นที่เล่นไปสู่นิพานได้เจริญพรจะถุกค่ะนะคะก็คงได้รับรู้ถึงความสงบในขณะที่พยายามจะเจริญสติในลักษณะการมีสติอยู่กับลมหายใจอาณาปานสติที่ท่าน พนในการหลักสศรีเรนวัดป่าดอนหายสูดรธานีพระมหาไพโรลน์นะคะได้มอบให้กับพวกเราในตอนต้นของรายการพูดถึงขณะที่ท่านฟังได้ปฏิบัติธรรมในช่วงตอนต้นของรายการเนี่ยก็เหมือนกับว่าได้ฟังเสียงของพระอาจารย์นำในการปฏิบัติธรรมด้วย <Okay. S 1> ซึ่งท่านก็ได้บอกว่าสําหรับผู้ที่สามารถที่จะทําจิตให้ไหม่รู้สึกว่าเสียเป็นการรบกวนได้ mm hmm. ก็จะทําให้ได้ ก็ได้คะมีสติได้มากยิ่งขึ้นอย่างนั้นใช่ไมคะใช่ใช่ซึ่งบางคนเขาก็มีความรู้สึกว่าไม่ใช่ได้ยินเสียงอย่างเงี้ยแล้วทำจิตให้ไม่รู้สึกถึงเสียงยากจริงๆแล้วการได้ยินเสียงแล้วให้ฝึกสติไปด้วยเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วหรือยังคะท่านคะ อ, อ, อย่างในสมัยพุทธกาลถ้าผมว่าเราไม่ได้เคย คือตั้งแต่ผู้ประ้าอุบัติขึ้นใหม่ๆเนี่ยถ้าท่านไม่ใช้เสียงในการเทศสอนมันก็จะไม่มีธรรมะปรากฏขึ้นเลยนะเพราะฉะนั้นอย่างไม่ว่าจะเป็นท่านพระสารีบุตรหรือว่าภิกษุที่สําคัญอื่นๆเนี่ยก็ต้องได้ฟังต้องใช้หูก่อนนะได้ฟังเสียงของใค ร, ครสามาสมัมพุทธะหรือผู้ที่ฟังมาตากจากท่านอีกที่หนึ่งก่อนแ ล, แล้วก็มาทําความใครก่กรวนตรงนี้บางรูปบางท่านอย่าง ท, าท่านพระสารีบุตรเนี่ยขณะที่ฟังอยู่นั่นละ่ะ โอ้บรรลุทากันสูงเลย ก, ก, ก็ก็มีหรือบางท่านฟังแล้วจําได้แล้วเก็บข้อมูลมาแล้วเอา้าแล้วก็ไปหลีกเล้นอยู่สงบแล้วก็บรรลุธทมก็มีเพราะฉะนั้ น, ม, น, ม, นมันมันไม่ได้อยู่ที่เสียงอะคุณหยงเตียวมันอยู่ที่สติที่เราตั้งเอาไว้ทั้งนั้นค่ะซึ่งอันนี้สําหรับผู้ที่ได้คุ้นเคยกับการที่พยายามตั้งสติในระหว่างที่ได้ฟังเสียงการแสดงธรรมไปด้วยเนี่ยก็คงจะยืนยันได้นะคะว่า สตินั้นเกิดขึ้นได้จริงๆงยิ่งไปเข้าคอร์สเนี่ยเราจะได้พบเลยว่าไม่ใช่เรื่องแปลกสตินี้เกิดขึ้นได้ hmm. แต่จากสิ่งที่ได้กราบเรียนถามท่านเนี่ยที่ฉันเพื่อนได้ยินเพื่อนเขาคุยกัน hmm. เมื่อกลางวันที่ผ่านมาเนี่ยเองนะคะอ hmm. บอกว่าเอ๊ะคนที่หูหนวกได้ยินคํากล่าวว่าไม่มีโอกาสที่จะบรรลุธรรมได้จริงหรือไม่เพราะาไม่สามารถได้ยินได้ฟังธรรมะได้อม um. โุทพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้กับสามบดีพรมกับสามบดีพรมตอนที่สามบดีพรมมาทูลเชิญให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมใช่ไหมเพื่อเห็นแก่คนที่มีดวงตุลินในดวงตาแต่น้อยพระพุทธเจ้าตอบสามถดีพรมด้วยคําที่ผูกเป็นคาถาคือคำกล่าวในบอกว่าประตูแห่งนิพพานอันเป็นนมะตะเราเปิดไว้แล้วแก่สัตว์ในยุคนี้สัตรเราได้มีโสดประสัส สัตว์เหล่านั้นจงปลงสัตานลงไปเถอดแต่บางอย่างนีนะส่วนประสาทในที่นี้ก็คือหูนั่นเองคือต้องมีหูอ่ะคุณถึงจะจะรู้ได้อันนี้คือปุถุพตรงหนึ่งทีนี้นถ้าสมมุติว่าเราเรากลับมาที่คุณธรรมต่างๆคุณธรรมต่างๆที่บําเพ็ญเจ้าสอนเนี่ยโอยอย่าง<ม>เรื่องของการพิจารณาเห็ความไม่เที่ยงความไม่อ น, นุตา น, นีคือชั้นสูงเป็นปัญญาละแต่ว่าอย่างขั้นหนึ่งๆเช่นศีลที่ฝึกได้ทางกาย น่คือแน่นอนคนหูหนวกเนี่ยก็เป็นใบ้ด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็จะพูดไม่ได้แต่ว่าความคิดเขามีแน่นอนเป็นแบบเป็นสังกปะเป็นความําริเป็นคิดชั่วคิดดีก็แตกต่างกันไปแต่ว่าการกระทาทางมือเนี่ยเราสามารถจับบอกเขาได้นะจับบอกได้เช่นเขาจะตียุงเราก็ตีเขาว่าอย่าตียุงเหมือนก็พอสอนเรื่องสี่งกันได้ในกรณีอาตมานะว่าคือถ้าคนหูหนวกเนี่ย แล้วจะไม่มีสีลเนี่ยคงจะพูดไม่ได้เขามีสิลได้แน่นอนแต่เขาจะตั้งอยู่ในกุณณธรรมคือสินของเขาได้แต่ถ้าจ ะ, ะทําให้มันยิ่งขึ้นไปสมาธิก็อาจจะได้ด้วยเพราะว่าสีนมันก็จะทําสมาธิได้แต่ว่าไอ้เรื่องแบบจะเห็นอ น, นัตตาอันี่คงจะสื่อสารกันย า, ากกันนะคะคือดิฉันใจดิฉันเองเนี่ยฟังเขาคุยกันไม่ได้ไปร่วมวงสนทนาด้วยนะคะออืก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทาไมจะไม่ได้เพราะว่า สมัยนี้เนี่ยมีการเรียนการสอนใช่ไหมคะก็สามารถรู้สื่อความหมายถึงกันได้ดิฉันก็เลยนึกว่าก็ในเมื่อหูไม่ได้ยินก็ไม่เป็นไรสื่อทั้งหลายก็มีเยอะแยะมากมายและความสามารถในการเขียนอ่านของคนตาบอดมีแน่นอนนะทนอาาตาบอดนี่คงจะได้อยู่เพราะมีหูแต่หมายถึงคนหูหนวกนะคนหูหนวกเขาก็จะใช้ภาษาเบลได้เออภาษา ภาษาของคุณตาบอดอ่าค่ะภาษามือภาษามือใช่ใช่แล้วก็ภาษามือเขาต้องมีคําที่แบบ vocabulary คำใช่แต่แต่เขาอ่านหนังสือได้เขามีตาด้ยค่ะเออใช่ใชคนหูหนวกถูกไหมคะเออใช่เขามีตาอ่านหนังสือได้อ๋อใช่ใช่เนอะเพราะฉะนั้นคนนี้ก็น่าน่าจะต้องได้เหมือนกันแตงว่าคิดตามไม่ได้ใช่ไปไปขัดกับคําของสหามบดีพรมเะอันนี้เป็นพุทธพจน์เลยนะที่ว่าผู้ใดมีโวตประสาทใช่ไหมล่ะ เพราะฉะนั้นอย่างอางัอ้นเรากลับมาที่ตรงเป็นวจีกรรมแต่วจีกรรมนี่ก็คือความคิดในการที่จะพูดคํานี้ออกไปเหมือนกันนะ่ะสมมติแตงโมฟังพิมพ์ลายข้อความนี้ส่งไปเนี่ยนั่นเป็นวจีกรรมนะเพราะว่าถึงแม้ปากเราจงไม่ได้ขยับแต่ว่าเป็นวจีกรรมที่เราคิดออกมานะหรือพระพรุทธเจ้าสนทนากับมารอย่างเงี้ยสนทนากับมารไม่ได้กล่าวเป็นเสียงออกมานะพุทธเจ้านั่งอยู่ใต้โคนไม้แห่งหนึ่งท่านพระอานนท์ก็อยู่ใกล้ๆแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงอะไร แต่พระพุทธเามาบอกกับท่านพระอนุนบอกว่าเรากล่าววาจาตายตัวแล้วว่าจะมีการปฏินิพพานไม่ชา้ากล่าวแล้วอย่างเงี้ยนั่นก็ต้องเป็นวจีละเป็นวจีสังขารละเพียงลําพังแค่ความคิดนึกนะคิดนึกว่าจะพูดคำเนี่ยออกมาอันนี้นก็เป็นวจีสังขารล ะ, ะเพราะฉะนั้นาการที่คิดตามได้ว่าจะพูดอะไรจะสื่อสารแบบไหนอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นวจีเป็นวจีสังขารแต่เพราะฉะนั้นมันก็ จะสอดคล้องกับตรงนี้แหละที่รับรู้ได้เหมือนกันในอธิบายคิดว่า ง, างี้นะค่ะก็ก็ถ้าเท่าที่ฟังดูทั้งหมดก็คือว่ามีโอกาสที่จะบรรลุทำได้คิดใหว่ถึ ง, <ไ>งแม้ว่าค ว, ความสามารถในการได้ยินจะไม่มีก็ตามทีอืมทีนี้อย่างไรก็ตามคนที่เ อ, อมีความพิการทางทางร่างกายต่างๆ อาจจะเป็นผลของกรรมก็ได้อาจจะเป็นผลของการที่อุบัติเหตุหรือว่าการเตรียมตัวไม่สม่ำเสมอแล้วก็อาจจะเป็นผลของกรรมก็ได้นซึ่งบางทีพระพุทธเจ้าก็ตรัสถึงว่าบุคคลที่เป็นสัตว์นรกมาเกิดอย่างเงี้ยบางทีก็จะมีความพิการทางกายอะไรต่างๆนานาตั้งแต่เกิดขึ้นมาเพราะนั้นด้วยกรรมตรงนี้ก็อาจจะทําให้ไม่สามารถที่จะตั้งอยู่ในความดีอะไรมาตั้งแต่เรื่องของสีหนืของการคบคนดีถ้าปิดศินแล้วก็คบคนชั่ว มันก็จะยิ่งไม่ต้องพูดถึงกุศลธรรมที่เราจะทําสมาธิวิปัสนาเลยไม่ต้องพูดถึงเลยถ้าถ้าเขาไปทางนั้นมันก็จะไม่ดีแต่เขาพยายามฝึกฝืนตัวเองจากมือใช่ไหมเขาพยายามไปสว่างให้ได้เจากมือไปสว่างเออนิมก็ไปดีได้แน่แค่ะก็ถือว่าถ้าเกิดมาแล้วมาพบคําสอนของพระศาสดาแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ไปพบและมีความพยายามก็ไม่แน่อาจจะพลิก ในส่วนที่เป็นกรรมของตัวเองได้ใช่พูดพูดอย่างนี้ได้ไหมคะได้สิเพราะว่ากรรมนี้เราก็แก้ให้มันดีขึ้นได้ไงกรรมนี้คือการกระทำะอยู่แล้วค่ะพอท่านพูดเรื่องแก้กรรมนี้ทุกคนก็เลยบอกว่าแก้อย่างไงล่ะคะก็คือจากที่มันไม่ดีเราก็แก้ให้มันดนี้นโดยการทำความดีนั่นเองความดีมีอะไรพระพุทธเจ้าก็แยกแยะแยกจกแจงไว้พูดถึงอริยมรรคมีถงแปดคือศีลสมาธิปัญญานี่เป็นความดี บางทีเราทําความไม่ดีเอาไว้เราจะแก้ไขตัวเราเองก็แก่จากสิ่งที่ไม่ดีให้มีการทาความดีมาแก้ออกันตรงนี้แต่ว่าผลที่เราได้ทํากรรมไม่ดีไว้ยังไงก็ต้องได้รับนะจะมากหรือจะน้อยก็แล้วแต่กรณีแต่ว่ายัางไงก็ต้องได้รับที่ทําไว้มากอาจจะได้รับน้อยก็ได้ที่ทําไว้น้อยอาจจะ <dibuj> ได้รับมากก็ได้อยู่ที่ว่าเราทาความดีมากหรือน้อยเท่าไหร่ ฉันเพิ่งไปอ่านคําสอนของสมเด็จพระสังฆราชเมื่อเอื่อหนไม่ได้อยู่ตรงหน้าก็อาจจะจดจํามาได้ไม่ได้ครบถ้วนทุกถ้อยคำแต่ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทํากรรมเนี่ยคะ่ะท่านก็บอกว่าคํากล่าวที่ว่าการทําดีแล้วไม่ได้ผลดีเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องจริงเพราะว่า่าเรื่องของกรรมเป็นเรื่องที่ซับซ้อนอการทําดีก็ต้องได้ผลดี แน่นอนใช่ค่ะนนี่เป็นควา ม, มชเชื่ อ, อค้อนนกเป็นความเชื่อที่เป็นสมาธิแต่แค่ว่าเราเชื่อว่าเออการดีการทําดีเนี่ยมีผลในการทําชั่วมีผลก็คือผลดีหรือผลชั่วใช่ไหมทีนี้การให้ผลของมันมันก็ต้องมีความซับซ้อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีการให้ผลเนี่ยมันให้ผลเดี๋ยวนั้นก็มีหรือบางทีการให้ผลให้ผลเวลาต่อมาต่อมาก็มีบางทีให้ผล จากเบาเป็นหนักจากหนักเป็นเบามีในลักษณะแบบนี้มันมีทำให้มันมีความซับซ้อนในขณะที่ว่าบางทีเรารับผลอยู่ตอนเนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นการให้ผลของกรรมที่ทํามาในปางก่อนตอนไหนเราไม่รู้ได้เลยเราไม่รู้ได้เลยตรงนี้บางทีมันไม่ใช่เรื่องของกรรมโดยซ้ํามันอาจจะเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศแต่คือพระพุทธเจ้าตรัสถึงความสุขความทุกข์ที่เราเจออยู่ตรงเนี้ไม่ใช่เรื่องของกรรมเก่าวทั้งหมดถ้าคนเชื่ออย่างนี้นะ คุณเป็นมิจฉาทิฏฐิอันนี้ไม่ใช่พระบุรุเจ้าสอนด้วยว่าสุขทุกข์ที่เราเจอในชีวิตเป็นเรื่องของกรรมเก่าวทั้งหมดไม่ใช่เพราะบางทีมันก็เป็นเรื่องของดินฟ้า อ, อากาศฝนตกเปียกอากาศร้อนหงุดหงิดมันก็ดินฟ้าอากาศนี่มันไม่ได้ว่าเป็นกรรมเก่าฉันมาเกิดในประเทศไทยเอาไปนู่นแล้วไม่ใช่ละอันนี้คือ 1, ะ 1> น, นะคือกรรมเก่าวก็ใช่อยู่แต่ไม่ใช่ทั้งหมด2เรื่องของดินฟ้าอากาศ3เรื่องของการเตรียมตัวไม่สมเสมอ สี่ห้าและหกนี่เป็นเรื่องของ เ, อเกี่ยวกับกายภาพของเราน้ำดีเสมหกักหรือว่าธาตุลมมันกำเริบหรือว่าทั้งสามอย่างรวมกันทำให้เรามีความสุขบ้างความทุกข์บ้างในชีวิตของเราเป็นไปได้ค่ ะ, คะดังนั้นถ้าท่านจะไว้เป็นข้ออ้างว่าต้องเป็นไปตามกรรมทุกอย่างก็จึงเป็นสิ่งที่เป็นมิจฉาทิฐิที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้เพราะมันยังมีเหตุอื่น ที่จะทำให้ให้ผลต่างๆนานาได้นอกเหนือจากเรื่องของการใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องพูดให้รัฐ ก, กลุ่มนิดนึงก็อยูติีเพราะว่าการให้การทํากลายอะไรก็ตามเนี่ยจะมีผลแน่นอนมีผลแน่นอนค่ะทีนี้การให้ผลของ ม, มันอาจจะเคลื่อนตามเวลามากน้อยไม่เท่ากันตัวนี้จึงมีความซับซ้อนอย่างดิลันบาค่ะคือให้ผลทันตาให้ผลทันที ให้ผล ใ, <ช>ในอกาต่อไปและต่อต่อไปใช่นะคะจึงจึงเป็นการอธิบายว่าด้วยของกา ร, รเป็นเรื่องซับซ้อนอืมอ่ะดิฉันได้ตั้งคำถามเอาไว้แล้วก็บอกท่านทฟังว่าจะมากราบเรียนถามท่านมาอย่างตัวเองเนี่ยก็ <c oughs> คิดว่าในนาทีสุดท้ายของชีวิตเนี่ยอยากจะมีสติจนถึงตอนนั้นรู้ว่าอันนี้เป็นเวลาสุดท้ายแล้วนะอืมมันสาคัญอย่างไรนนะคะเอ่อ เพราะว่าถ้าในช่วงกายที่เราจะแตกจากใจนี้ไปเนี่ยคือกายกับใจของเรามันล็อกกันอยู่ตอนนี้นะเกิดเรื่อมาฟังเนี่ยจะรู้ได้เลยว่าฉันมีใจนะฉันมีกายนะกายบางทีไม่ตามตามใจใจบางทีไม่ทําตามกายมันมี2ส่วนอยู่ในอยู่ในตัวเราตรงนี้จึงเป็นตัวเราขึ้นมาฉันชื่อคนนี้ฉันชื่อคนนั้นตรงนี้เป็นเป็นนี้คือมีกายและมีใจที่มันมันล็อกกันอยู่ตรงเนี้ยที่มันล็อกกันอยู่ตรงเนี้ยเป็นสภาวะนี้ขึ้นมาเนี่ย สภาวะนี่คือภพนะพอพอสำเพาแล้วก็พอพาเนี่ยภพเนี่ยคือความเป็นสภาวะตรงนี้เป็นนายคนนี้เป็นนางคนนี้นี่ก็เป็นภพแต่นี้ภพเนี่ยมันก็มาล็อกกันอยู่กายและใจตรงนี้ด้วยอำนาจของกรรมใช่ไหมคุณทำกรรมมาคุณได้ผลนี้มีอสาาุวะแบบนี้คุณก็มาเกิดเป็นมนุษย์ล็อกกันอยู่ในภพนี้ทีนี้จังหวะที่กายกับใจเนี่ยมันจะแยกจากกันมันจะภพนี่มันจะสิ้นไปแล้วนะมันจะแตกจากกันแล้วเนี่ยากายเนี่ย มันก็ต้องคืนโลกเข้าไปใช่หมควาเป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมเข้าไปแล้วก็เป็นของรีไซเคิลเป็นของที่ยืมเข้มาก็คืนเข้าไปใจละ่ะใจเข้าไปตามกรรมใจก็าตามเหตุตามปัจจัยอีเหมือนกันถ้าเหตุปจัจจัยในการที่มันจะไม่ไปเกิดต่อมันมีมันก็ไม่ไปเกิดแต่ถ้าเหตุปัจจัยในการที่จะไปเกิดต่อมันมีมันก็จะไปเกิดตรงนี้แหละที่ว่าเหตุปัจจัยตรงเนี้ยจะให้ไปเกิดแบบไหนถ้าบริวาใจตรง น, นั้นใจตอนนั้นมีสภาพว่าแบบที่ เป็นความเบียดเบียนความพยาบาทความไม่ดีเนี่ยมันก็จะไปเกิดในลักษณะที่มีผัสสะแบบนั้นผัสสะแบบที่จะมีความเบียดเบียนมีความพยาบาทความไม่ดีอยู่มากๆอยู่แบบนั้นเช่นสัตว์เดรัจฉานจะมีการเบียดเบียนกันมากความพยาบาทความไม่ดีเช่นสัตว์นรกมันก็จะเบียดเบียนกันมากด้วยจิตที่มีสภาวะแบบนั้นมันก็จะไปเกิดในสิ่งแวดล้อมที่เป็นแบบนั้นมันก็จะแบบพลังงานมันส่งกันไปให้คุณไปเอาสภาวะแบบนั้น มาอยู่ในแวดล้อมจิตของคุณก็คือนรกกําเนิดเดชะเปรตวิสัยทีนี้ถ้าจิต ท, ที่มันจะแยกกันไปจากภพของเราเนี่ยปกติมนุษย์เนี่ยนะถ้าเป็นสิต ท, ที่แบบว่ามีความเมตตากรุณามีความเอื้อเฟือ้อคิดถึงเรื่องของการให้ทารรักษาศีลเออมีการให้การบริจาคอย่างเงี้ยโอ้มันก็มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมีความเห็นอกเห็นใจกันจิตนั้นก็จะไปล็อกอยู่ในถ้ามันยังมีเชื้ออยู่นะมันก็จะไปอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ มีความเอื้อเฟื้อเผื้อกูณการมีการเห็นอกเห็นใจกันก็จะเป็นมนุษย์ที่มีอันจะกินหรือว่าพวกเทวดาที่ก็จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมีการให้กันหรือมีสูงขึ้นไปถ้าจิตคุณแบบไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยกามเลยโน่แน่นิ่งเป็นรมันเดียวเป็นสมาธิก็จะเป็นพวกที่ไม่มีกามในสภาวะก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นเพรมเป็นเทวดาเป็นพรมขึ้นไปในระดับนั้นเพราะฉะนั้นจิตตรงนี้สุดท้ายเนี่ยมีความสําคัญ แต่ว่าแต่ว่าถ้าเราจะไปรอทําตรงนั้นเนี่ยอธิบาว่าคือคือบางทีมันช้าไปคือสิ่ง<ห>ที่สําคัญที่สุดไม่ใช่จิตสุดท้ายคุณโยมติวสิ่งที่สําคัญที่สุด<ห>คือณปัจจุบันนี้ณปัจจุบันนี้สําคัญที่สุดเพราะอะไรเพราะทําไมเราจะต้องไปรอให้มีเรามีความสุขตอนนั้นทําไมเราไม่มีความสุขตอนนี้เลยเดี네๋ยเพราะว่าถ้าเราจะไปรอแล้วเราบอกว่าเราอยากนี่ไหมเพราะมันรอนี่มันอยากมันก็รอมันเป็นทุกข์ก่อนเลยดอกหนึ่ง เพาะอะไร uh huh. ทุกพราะความอยากก่อนคเ uh huh. หนือทุกพระความอยากฉันอยากได้อย่างนั้นตอนไหนตอนโน้นเอาทำไมตอนนี้ไม่มีไม่ได้ก uh huh. ็ทำไมไม่ทำนั่นน่ะสิทำไมไม่ทำทำสิทำเลยคุณมีความสุขเดี่ยวนี้คุณไม่ต้องรอตอนนั้นเข้าใจะเพราะฉะนั้นสมมุติถ uh ้า huh. ตอนเนี้ยเราตั้งสติได้เพราะว่าเรารู้ลมหายใจปับ๊บทำไปทำไปอกุศลมันลดลงกุศลธราทมากขึ้นใจเราจะมีความอิ่มเอิบใจความสบายใจทันทีเดี๋ยวนี้ โอ้เราเราไม่ต้องมีความอยากตอนนั้นเราไม่ต้องทุกขก่อนเพราะเราอยากแต่เรายังไม่มีใช่หมเราก็ทำให้มันมีตอนนี้ซะเลยเราจะได้ไม่ต้องอยาก<ช>แล้วเราก็จะมีความสุขเดี๋ยวนี้มันจะดีกว่าค่ ะ, คะในความหมายที่ถามท่านในตอนต้นของรายการก็คือว่าความต้องการอันนั้น่ะก็นำมาสู่การที่ต้องปฏิบัติตอนนี้ใช่ใชเพื่อนการเตรียมความพร้อมของการที่จะสามารถมีสติได้ตลอดเวลาถูกต้องถูกต้อง และท่านได้พูดในสิ่งที่ยังคิดว่าเรนจะถามต่อบพอดีที่พูดถึงว่าเอ้ยนี่มันเป็นความอยากหรือเปล่าไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ย น, นะคะท่านก็ได้ตอบไปแล้วว่าความอยากเป็นความทุกข์ค่ะทีนี้สับที่พระพุทธเจ้าใช้ก็คือว่าอย่าไปร้อนใจในภายหลังคือถ้าสมมุติเราตอนเราตอนใกล้ๆแล้วเราก็จะไปคิดตามตอนนั้นคือเราจะร้อนใจในภายหลังแต่ให้มีความร้อนใจตอนนี้ทําตอนนี้อันนี้จะเป็นประโยชน์กับเราตลอดกาล น, นานค่ะก็ที่เราฝึกฝึกกันอยู่ ทุกวันในตอนเช้านี่แหละนะคะคือการที่จะทำให้เรามีความสามารถในการที่จะเจริญสติแล้วก็เป็นประโยชน์ในช่วงสุดท้ายนั้นดีฉันถามอีกทีหนึ่งก็แล้วกันที่บอกว่าสงสัยเหมือนกันว่าไอ้ตรงนั้นมีความยากหรือเปล่าเพราะว่าตามหลักการของพระพุทธศาสนาใช่ไหมคะหเหมือนกับว่าพอเราปฏิบัติไปเรื่อยๆรื่อยๆมันก็จะเบาลงเบาลงถูกไหมคะใช่ ในในความหนักของเราของหนักของเราขันห้าป่ะครับเป็นของหนักถูกต้องก็ น, น่าเป็นกองหนักนะคะก็เหมือนกับว่าพอปฏิบัติไปเรื่อยๆก็เบาลงเบาลงพอถึงนาทีสุดท้ายจริงๆแล้วถ้าคนที่ปฏิบัติแบบนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะมีความคิดต้องการที่ให้พบหน้ามันดีกว่าพบนี้หรืออะไรอย่างนี้แล้วสิคะลักษณะของของความอยากเราต้องทำความเข้าใจเพราะว่าไม่ใช่ว่าคําว่าอยากในภาษาไทยทั้งหมดเนี่ยจะคือตัณหาหมด มันไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าใช้คําเฉพาะเจาะจงลงไปว่าตัณหานาณนาทีนี้แปลเป็นภาษาไทยเราก็ใช้คําว่าอยากแต่คําว่าอยากในภาษาไทยเนี่ยมันใช้หลายรูปแบบเราจึงต้องมาแจกแจงกันนิดหนึ่งว่าอยากแบบไหนที่เป็นตัณหาอยากแบบไหนที่ไม่ใช่ตัณหาอย่างเช่นว่าพระพุทธเจ้าอยากให้คนนี้พ้นทุกข์อยากโปรดสัตว์โลกอย่างเนี้ยความอยากตรงนี้ที่พระพุทธเจ้าเราใช้ภาษาไทยนี่นะว่าอยากเนี่ยแต่มันไม่ได้หมายถึงตัณหาในภาษาที่พระพุทธเจ้าใช้เพราะอะไร พระชจ้าให้ความจำกัดความของการเหตุกิดทุกข์คือสมุทยัยว่าตันหาตันหาแบบไหนตันหานี้ใดอันนี้เป็นแปลคําแปลในธรรมจักรกับปต น, นะสูตรนะตันหานี้ใดทําการเกิดใหม่ให้เป็นปกติ 1. ต้องมีการเกิดใหม่ 2. เป็นไปด้วยกับความกําหนัดด้วยอำนาจความเพลินนี่คือ2เพลินสมัมกเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆต้องมีอารมณ์ความรู้สึกด้วย กำหนัดเพลินคืออะไรบ้างนะคื อ, ค อ, คอตัวอย่างทีนะั้นหนึต้องมีการเกิดสองต้องมีความกำหนัดสามต้องมีความเปลินเกิดกำหนัดเปลินเช่นอะไรบ้าง1คือการมตัญหาคือความทยานอยากในกล้าม 2. ภาวะตัญหาคือความพะยานอยากในมีเป็นและ 3. วิภาวะตัญหาคือความทยานอยากในลักษณะที่จะไม่ให้มีจะไม่ให้เป็ น, นสอย่างนี้ เพราะนั้นาการที่พระพุทธเจ้าบอกว่าที่เราแปลเป็นภาษาไทยคนไทยามาใช้บอกว่าพระพุทธเจ้าอยากโปรดสัตวโลกความอยากนี้มีความกำหนัดไหมเราเห็นว่าไม่มีเพราะว่าจิตจขงท่านไม่มีกิเลสกำหนัดไม่ได้ 2. เพลินไหมคนมีสติจะไปเพลินอะไรมีสมาสติอยู่ไม่เพลินแน่นอนนะเพราะนันมันไม่ใช่ตัณหาไงคำที่เราเราใช้ว่าอยากในภาษาไทยเนี่ยแปลกลับไปเป็นภาษาบาลีแล้วไม่ใช่ตัณหานี้เราต้องแย่งแย่แจกแจง ก, ก่อนว่า ไม่ใช่ไปเหมาหมดคําว่าอยากภาษาไทยที่เราใช้นั่นคือตัณหาหมดไม่ใช่ต้องตแยกแยะให้ดีเพราะฉะนั้นเราบอกอยากพ้นทุกพูดใหม่ได้ไหมหมายก็ว่างไงกันแน่อ๋อ oh, ฉันจะทําความเพียรอ๋อนี oh, นดีคุณทําความเพียรสิดีดีดีอันนี้ดีถูกไหมแต่แบบฉันอยากพ้นทุกแล้วแบบว่าฉันต้องเป็นสภาวะอยู่นี้ฉันจะเป็นคนแบบนี้ฉันอยากอย่างนี้มันก็จะเป็นภาวะตัณหาคืออยากเป็นอยากเป็น ก็ไม่ถูกเพราะอะไ ร, รเพราะความอยากที่ใมีในใจคุณคุณจะจะเลยมักรไม่ไดม้มันจะเป็นตัวปิดกั้นมักรจะไม่แบบขี้เกียจขี้คร้านจะหาทางลัดพึ่งของคลังพึ่งคนอื่นอ่ามันไม่ใช่ละแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยฉันต้องทําความเพลี่ยนฉันตั้งมั่นตั้งใจในการทําความเพลี่ยนเฮ้ยนี่เป็นวิริยานะการทําจริงแน่แน่จริงเป็นสัมมาวายามะ เอาคุณเจริญสัมมาวยามะตัณหามันต้องละไปแน่นอนมันต้องลดไปแน่นอนอันนี้คือดีเพราะอะไรเพราะเขาอยากบรรลุเพราะฉะนั้นตรงคำก็อยากที่เขาใช้เนี่ยขยายความเจาะลงไปสิอ๋อเขาหมายถึงสัมมาวยามะโอ้ที่ควรสนับสนุนอันนี้ดีอย่างนี้นะค่ะดะงนั้นท่านกำลังจะบอกว่าอความอยากในการที่จะมีสติถึงนาทีสุดท้ายเพื่อ จะต้องการไม่ก้าวล่วงไปสู่ อ, อบอา ย, อายอหรือไปสู่ในพพที่ที่ดีอันนี้ถือว่าเป็นความอยากที่ไม่มีกามรหรือไงคะต้องถามก็าว่าสับสับที่เขาควรจะใช้ให้ถูกต้องก็คือว่าฉันจะตั้งความเพียรพยายามเอาไว้ในการที่ฉันจะมีสติให้ดีในายามสุดท้ายของชีวิตฉันเพื่อฉันจะไม่ได้ไปในอบายเพื่อฉันจะได้ไปในที่ที่มันดีฉันจะทาจริงแน่แนจริง อันี้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วถือว่าใช้ไม่ใช่เป็นตันหาไม่ใช่เป็นตันหาเสียหายคือตันหามันเสียหายแน่นอนนะคุณหยงติวนะตันหาไม่ดีแน่นอนเป็นการมาตันหาภาวะหรือวิภวะเนี่ยแหละอ่าไม่ดีทั้งสิ้นไม่ดีต้องรีบล่ามันเสียแต่คําว่าอยากเอาหมดเอาไว้เหอนกันอยากในภาษาไทยที่คุณใช้บอกว่าฉันอยากให้จิตฉันมีสติเนี่ยถ้าเราถามผู้ที่พูดคํานี้ว่าคุณหมายถึงอะไรกันแน่อ๋อฉันหมายถึงว่าฉัน จะพยายามทําให้มันดีที่สุดอ๋ อ, อนี่ดีะ<า>แต่ถ้าเข้าหมายถึงว่าฉันอยากจะพ้นทุกข์จริงๆอะ่ะฉันอยากไอ้ความอยากถ้าเขาเป็นสภาวะเป็นการเกิดใหม่เป็นพบอันนี้มันจะไม่ไม่ดีคุณจะทำยต้องบมดถ้าเป็นความเพียรไปอันนี้ดีถูก ต, ต้องอ<ฮ><ม>โดยดไม่ต้องมีตันหาเลยไม่ว่าจะเป็นตันหาประเภทหนึ่งประเภทสองประเภทสามไม่ได้เลยตานานี้ต้องละมันตันดีใกล้กันนิดเดียวเลยนะคะต้องต้อง คือทําให้ถูกใช่ ค, ใคิดให้ถูกใช่ทีนี้ความคิดที่เขาคิดเนี่ยกับบนประเย็นชนะที่เขากําหนดออกมาเนี่ยบนันทีอาจจะมีความคลาดเคลื่อนกันเราก็ต้องแบบบริไฟถามกันนิดนึงว่าคุณหมายถึงอะไรกันแน่เแต่ถ้าบางทีพูดไปอย่างนี้อาจจะหมายความถูกต้องเลยก็ได้เพียงแต่ว่าอากําหนดประเยนชนะ จ, จะคลาดเคลื่อนใช่ค่ะก็เลยทําให้เป็นห่วงว่าถ้าเช่นนั้น อาจจะพลาดนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ยังเป็นตันหาอยู่อืสรุปแล้วก็คือว่ า, าให้เราเพียรในการเจริญสติเพราอย่างนั้นเถอดถู ก, ถกไหมคะถูกต้องถูกต้องให้เพียรในการเจริญสติใช่ไหคะท่านฟังแล้วก็สิ่งที่ท่านพิบูลได้นําพวกเราปฏิบัติในทุกวันพฤหัสกับวันศุกร์ก่อนอื่นที่เราจะสนทนากันในเรื่องอื่นใดเลยเนี่ยก็คือการที่สอนให้รู้วิธีแล้วก็ให้ท่านไปเพียรปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้สตินั้นได้มีกำลังขึ้นมามีกำลังเป็น<ช>ที่พึ่งของเราได้ใช่นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ใครทำได้ก็เป็นกำไรของคนนั้นอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นบัณฑิตนะคะถูกต้ อ, องคนที่มีสติมีความเพียรนี้เป็นบัณฑิตเลยควรจะครบเลยถ้าเรามีเพื่อนอยนี้รีบครบเขาไปก่อนค่ะ มีเป็นพุทธพจน์เลยไหมครับเพราะว่าดิฉันเห็นพุทธศาสนาสุภาษิตนีม่มีเยอะเป็นหมดที่กล่าวถึงบัณฑิตเอ่อบัณฑิตก็พระพุทธเจ้ า, าจะแยกแยะไว้อยู่หลายนัยยะเช่นบุคคลที่มีคิดมักคิดดีผู้ดีทําดี น, นี้เป็นบัณฑิตก็มีบัณฑิตที่กล่าวถึงผู้ที่มีศีลใไล่ไวยกุลธรรมเรื่องศีลเรื่องของการให้การบริจาคเรื่องของศรัทธานในคําสอนพระพาาุทธเจ้าเรื่องของปัญญาในการที่จะรู้จักปล่อยวางนี้เป็นบัณฑิตก็มี ศัทธาศีลจักกะปัญญาไม่ต้องไปเข้าเรียนปริญญาตรีก็เป็นบัณฑิตของพระพุทธเจ้าถ้ามีคุณสมบัติเช่นนั้นดังนั้นจึงอยากทราบต่อเหมือนกันนะคะว่าสําหรับอในทางคําสอนของพระศาสดาแล้วท่านสรรเสริญคุณสมบัติอย่างนั้นอย่างนี้เป็นบัณฑิตเนี่ยมีมหาบัณฑิตหรือว่าดุษดีบัณฑิตไหมคะท่านคะอันนี้เรามาคุยต่อในวันพรุ่งนี้ได้นะเดี๋ยวนะคะงั้นเดี๋ยวอก็ทิ้งค้างไว้เช่นนี้ กราบนมัสการขอบพระคุณท่านพรื่บุเป็นอย่างยิ่งค่ะรดยจ้ะค่ะท่าน ฟ, ฟังที่เคารพค่ะและนี่ก็เป็นการสนทนาธรรมกับพระมหาเูรือภิปุโนวัตรปารณหายโสอุดรธานีทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพื่อจะให้ประโยชน์เกิดแก่ท่านฟังที่ฟังรายการอยู่นะคะดิฉันสัมมณีนาคพงด์ดำเนินรายการเรามาพบกันเป็นประจำทุกวันพระอาทิตย์กับวันศุกร์ส่วนท่านเพรื่บุนั้นท่านมาตั้งแต่วันจันทร์เรื่อยมาจนถึงวันศุกร์เลยค่ะติดตามรับฟังรายการกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ พุทธรสวัสดีค่ะ